ศีลเราตกหล่นไปเท่าไหร่นะเรายิ่งใกล้เข้ามากขึ้นเท่านั้นนะอย่างเราเห็นคนทำชั่วเราก็ชั่วด้วยอเราก็ใกล้เข้ามากขึ้นเรื่อยๆนะเริ่มตั้งแต่มุสาวะคนโกหกได้แล้วต่อไปทำชั่วได้ยทุกเรื่องนี่เรายังไม่ถึงขั้นโกหกเราพูดความจริงนะ แต่ความจริงของเราไม่ประกอบด้วยเมตตาก็ฝึกเชิญใจเหมือนหลวงพ่อนะไม่เกลียดเลยนะรู้สึกน่าสงสารทำไมทาไมมีแต่คนคอยส่งข่าวที่ไม่ดีให้เขาทำไมไม่เอาซีดีหลวงพ่อประโมทไปให้เขาฟังเออถ้ามันฟังบ้ามันไม่เป็นอย่างนี้หรอกนะหน้ามันจะใสนี่หน้างอหน้าเครียด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 ฉันมีมีเมีย ม, ม, มากภรรยามีสามีมากอะไนะความทุกข์มันมาถึงเราแล้วครานี้เราก็เคยเห็นแล้วนะว่าความสุขความทุกข์มันอยู่ชั่วคราวนี่แต่เราไม่เคยเห็นว่าสามีเป็นของชั่วคราวมันของชั้นน่ะของชั้นของฉันใช่ไหม <c oughs> นี่มันเป็นบททดสอบนะเป็นบททดสอบมีเมีย ม, ม, มากคนที่หนึ่งเนี่ยเราเจ็บช้าที่สุดเลยคนที่ยี่สิบเราจะเฉย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 เราต้องซ้อมของเราทุกวันนะการภาวนาเรายัางไม่ใช่พระรหันเราัางต้องเรียนต้องซ้อมอยู่ทุกวันนักเรียนที่ทำการบ้านบ่อยเขเก่งเร็วหน่อยใช่ไหมนักเรียนที่ไม่ยอมทำการบ้านก็เก่งช้าเรื่องธรรมดานะของเราไม่ได้สอบแข่งกับใครหรอกสอบแข่งกับตัวเองนะแล้วไว้ทดสอบใหญ่เข้าห้องสอบจริงๆนะตอนที่เราเจอปัญหาที่รุนแรงนะปัญหาในชีวิตอย่างแร ง, แรง อย่ตอนน้ำท่วมน้าท่วมปี54ีใช่ไกลุ้มใจมากใช่ไหมทุกข์มากตอนนี้ลึกถึงน้ำก็เฉยๆยไม่กลัวใช่ถ้ามันมาอีกก็กลัวใหม่เฉยเฉยเนเราเฝ้าดูนะกระทั่งความทุกข์ที่ว่าใหญ่ๆนะปัญหาชีวิตที่ว่าใหญ่ใหญ่นะมันก็ใหญ่ชั่วคราวนะไม่มีปัญหาที่ใหญ่ตลอดหรอกนะอะไรๆมันก็ชั่วคราวทั้งหมดเลย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 คนอื่นมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันคิดว่าเงินมากถึงจะมีความสุขนะของเรานี่แหละเราได้ทํางานเต็มที่เรารู้สึกงานของเราก็มีประโยชน์ก่บสังคมกับส่วนรวมนะสมมุติเราขวาดถนนเนี้ยขวัถนนมีประโยชน์กับส่วนรวมไหมมีใช่ไหมเป็นงานที่ต้องยกย่องนะวันหลังเจอคนปวัดถนนะอ่ะจะปีใหม่แล้วให้ของขวัญเข้าบ้างนะอย่างน้อยยกมือไหว้สัทีขอบคุณนะครับอุตส่าห์ขวาดนะนะแต่ละคนมีคุณค่านะ มีคุณค่าถ้าก็ทําสิ่งซึ่งไม่ได้เบียดเบียนใครเป็นประโยชน์นะเเราค่อยฝึกใจของเรานะกูศนก็ค่อยสร้างไปเรื่อยหากูศนก็ค่อยๆลดไปเรื่อยนะกูศนเล็กน้อยเราก็ไม่ประมาทนะว่าเล็กน้อยเกินไปไม่ทำอะไรเงี้ยหรือหากูศนเราก็อย่าไปประมาทว่าหกูศนนิดหน่อยด่านิดหน่อยจะเป็นอะไรด่าคนโน้นด่าคนนี้ด่ า, ดาไปหมดเลยด่าตัวเองก็มีนะเคยเจอไหม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 กล้าไหมถือเวลาไว้พราสวดมนต์เราก็ทํานะอาจจะไม่แสดงท่าก็ได้เราสัมรวมของเรายัง ไ, ไหว้ไ้อย่างนี้เดี๋ยวเพื่อนตกใจเขากำลังเป่าดหวีดเพราะว่าไม่รู้จักกาลเทศะเราก็สํารวมของเราไว้พราสวดมนต์ของเราไปถือเวลาเดินจงกรมอันนี้เดินได้นะเดินไปเดินมาบางทีไม่เดิน ก, ก็ไหลไปเรียกไหลจงกรมไหลไปเรื่อยรู้สึกตัวไป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 แจกซีดีพกไปบ้างนะในไหนก็ไปแล้วนะทำชีวิตให้มีประโยชน์เผื่อคนก็ได้ฟังธรรมะมากขึ้นใจเขาได้ทุกน้อยลงต้องทำนะอย่าละเลยไม่ว่าทำอะไรก็อย่าทิ้งการปฏิบัติทิ้งอื่นๆอย่างทิ้งได้นะอย่าทิ้งการปฏิบัติ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 ให้หลวงพ่อมาบอกทางให้หลวงพ่อไปหลวงพ่อก็บอกว่าทางนี้เป็นทางของผู้เดินคนเดียวทางนี้เป็นทางไปคนเดียวทางนี้ต้องช่วยตัวเองนะฟังแล้วเลยช็อกตายไปเลยนะต้องซ้อมไว้ก่อนนะต้องซ้อมของเราเอ้ก่อนนะพยายามเขามีสติคุ้มครองรักษาใจของเรานะสติเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยนะครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อมานะหลวงปูเทศเนี่ยสอน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 ร่างกายนั่งร่างกายนอนร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้ามันจะไม่รู้สึกนะว่าเรายืานเดินนั่งนอนเราหายใจออกเราหายใจเข้าจะไม่รู้สึกอย่างนั้นหรอกจะเห็นแต่ว่ารา่างกายเรามันทํางานอย่างนั้นเองนะหรือจิตใจเราก็จะเห็นมันเดี๋ยวมันก็สุขสุขก็สุ ข, ขของมันเองไม่ใช่เราสัง่งเดี๋ยวมันก็ทุกข์มันก็ทุกข์ของมันเองไม่ใช่เราสัง่งนะเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ชัว่วหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้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 พอไหวไหมวันนี้นธรรมะเทศนะธรรมะเบสิกมากเลยว่าใจของพวกเราจำนวนมากมันฟุง้งฟุ้งอยู่กับการต่อสู้เราควรจะสู้คนอื่นนะอย่าลืมสู้กิเลสสู้ไหวไหมสู้ไม่ไหวเสียชื่อลูกพระพุทธเจ้านะยังไงก็ต้องสู้สู้ได้หรือสู้ไม่ได้ต้องลองสู้ดูก่อนอย่าเพิ่งยอมแพ้ เคยรู้จักเจ้าคุณนอไหมอย่างน้อยก็รู้จักชื่อบ้างะนะฮญานรรัตตอนท่านเป็นนิสิตจุฬาเรียนรัฐศาสตร์นะพ่อก็รุ่นน้องท่า น, นท่านเรียนรัฐศาสตร์จุฬารุ่นแรกเลยรัฐศาสตร์จุฬามันมีสองส e งสองเจนเนอเรชั่นเจเนอเรชั่นแรกเนี่ยตั้งแต่ยุคเจ้าคุณนอนะจะมาถึงสมัยปรีดีไปตั้งธรรมศาสตร์แล้วก็ย้าย รัชศาสตร์อยู่ธรรมศาสตร์แล้วต่อมามาตั้งรัชศาสตร์ขึ้น อ, อีกร อ, อบหนึ่งที่จุฬามันเลยเป็น2เจเนอชันเจ้าคุณนอนนะเป็นรุ่นแรกเจเน r เรชันที่หนึ่งนะตอนท่านเป็นนักศึกษาเนี่ยไปเรียนวิชาเสือป่าถ้ายคุคนี้ก็ไปเรียนรอตอยังมีแม่รอด อ, อยังมีอยู่ใช่ไหมรัการที่6ท่านก็ประทับอยู่นั่งดนะูท่านเห็นเจ้าคุณนอนตัวเล็กนิดเดียวทาหน้าที่เป็นผู้สืบข่าว คอรับข่าวทางนี้ไปบอกทางโน้นอะไรเงี้ยท่านก็เรียกมาถามว่าเจ้าตัวเล็กนิดเดียวเนี่ยถ้าข้าศึกมันเห็นนะจะสู้มันได้หรอตัวเล็กกระติดเดียวนะเจ้าคุณนอฉันเจ้าคุณนอท่านตอบว่าสู้ได้หรือไม่ได้นะไม่เป็นไรแต่จะลองสู้ดู ก, ก่อนพระเจ้าค่านี่เลยโปรดเลยนะเนี่ยพวกเราต้องสู้นะสู้ได้ไม่ได้ก็ต้องสู้ไว้ก่อนแหละ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 ขาดแล้วขาดเลยไม่มีกลับมาอีกแล้วเมื่อวานน้นมีพราองหนึ่งไปส่งกันบ้านหลวงพ่อพันศาท่านมากนะแต่ท่านเรียนกับหลวงพ่อท่านตือหลวงพ่อเป็นอาจารย์ให้มาส่งกันบ้า น, นท่านก็เล่าให้ฟังว่าโอจิตผมตอนนี้มันไม่เห็นกิเลสเลยนะมันเห็นแต่กุศล น, นะท่านว่าอย่างนี้เลยบอกท่านว่ากิเลสเนี่ยพอถึงขั้นละเอียดนะหน้าเหมือนกุศล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 หรือจิตมันพิจารณาธรรมะนะันกว่าพิจารณาธรรมะอยู่นะบอกนี้แหละชื่อว่าอุทธัจจสังโยชน์อุทธัจจสังโยชน์นะความฟุ้งซ่านที่เป็นสังโยชน์เนี่ยไม่เหมือนนิวรที่เป็นความฟุ้งซ่านนะอุทธัจจนิวรเนี่ยฟุ้งในกามอยากเห็นรูปอยากได้ยินเสียงนะไปติดอกติดใจแนละ้วฟุ้งไปหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสจะฟุ้งไปในกามนะในขณะที่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 จะสแสวงหาทางคนทุกข์ใจมันจะดิ้นไปปรุงไปอะไรไปนะนี่แหละเรียกว่าบุท ธ, ธจัรนะบุท ธ, ธจักสังโยชน์ดูแลเหมือนกุศลเลยนะงั้นกิเลสนะมันหลายชั้นหลายเชิงพวกเรายังไม่ถึงขั้นสู้สังโยชน์โดยตรงนะเราก็สู้กิเลสราคะโทสะโมหะสู้กับความฟุง้งซ่านสู้กับนิวรนิวรณเป็นตัวมืดมื ด, ม, ดมัวมัวนะใจมืดใจมัว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 นะมืดโลกมืดตืดตือเลยแต่ใจยังสว่างอยู่เลยนะม่ครอบใจไม่ได้จริงหรอกมันครอบหัวได้นะครอบใจไม่ได้หรอกนั้นะเรารักษาสตินะสมาธิปัญญานัพัฒนาใจของเราไปเรื่อยให้มันมีคุณภาพสูงขึ้นไปเรื่อยอย่าเว้นวักการภาวนาต้องไม่เว้นวักนะยกเว้นเวลาที่นอนหลับกับเวลาที่ทํางานที่ต้องคิดแต่เวลาที่หลับนะถ้าเรียนกรรมาฐานกับหลวงพ่อตอนหลับมันก็ภาวนาได้นะ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 ของโยมพาวนามันก็เปลี่ยนแปลงมาในทางที่ดีมากขึ้นแล้วเปลี่ยนไปมากแล้วอย่างน้อยธาตุขันแยกจิตทีก็สอนธรรมะเราได้แต่เวลาจิตสอนธรรมะเนี่ยให้เราฟังหูไว้หูนะเพราะจิตเรายังมีกิเลสอยู่ื่อทีมันสอนสอนมันหลอกเราก็มีนะมานมันซอกแทรกอ้าพี่สังขารมันมันหลอกเราแล้วบางครั้งก็เห็นจิตมันไหวๆเออมันไหวๆอยู่กลางอกนั่นแหละเราเรา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 ถ้าไม่ไปค้างอยู่อย่างนะี้นะมันจะไม่เห็นของจริงนะหนูอยากให้ติดอยู่นะค่ะก็ปฏิบัติแบบนี้มานานแล้วอะค่ะแกะ้ซนะอย่าให้ค้างอยู่แล้วก็หนูปฏิบัติสายวิชาสามอะค่ะออมันจะไปด้วยกันได้ไมคะต่อได้ไดต่อได้นะแต่วิชาสามเนี่ยมันก็มาจากจากสมารินะแล้วก็วิชาสามตัวที่สาคัญที่สุดคืออันที่3มนั่นแหละ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 พอเราล้างกิเลสในขณะที่เกิดอริยมรรคนะพิชาสามมันจะมานะเออมันไม่ใช่ว่าเราต้องไปฝึกมันหรอกแต่ว่าหนูต้องยึดถือกายภายในอะค่ะอะไรนะยึดถือกายภายในว่าเป็นตัวเราเมาตลอดะะอะค่ะนั่นแหละดูไปจนเห็นเลยมันไม่ใช่เรานอะดูจะเห็นของจริงเป็นเราได้ไงนะมันก็ยังไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่นะ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 ถ้าเคยฝึกมาแล้วนะถ้าเคยฝึกมาแล้ววนะ่าตอนที่เกิดอริยมรรคมันจะตามมาโดยอัตโนมัติเลยแต่ถ้ามุ่งอย่างเอาวิชาสามเนี่ยจะไม่ได้ซักกว่วิชาเดียวมีแต่ว่าจิตมันปลุงให้ดูเท่านั้นแหละเหมือนที่หลวงปู่ดูลบอกนะเห็นหนะ้าเห็นจริงนะแต่สิ่งที่ถูกเห็นนะอาจจะไม่จริงะระลึกชาติได้จริงหรือเปล่าเกี่ยวพิสูจน์ยังไงพูดยากนะเห็นคนนี้ตายแล้วไปเกิดที่ไหนอย่าเงี้ย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 แล้วทีนี้ที่สาเหตุที่ผมส่งกันบ้านวันนี้เพราะว่าปัจจุบันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก่อนผมจะนอนเนี่ยผมมีความฟุ้งร้านเพราะว่าผมรู้สึกว่าคือจะนอนเนี่ยผมกลัวว่าพรุ่งนี้ผมจะไม่ได้ตื่นนะครั บ, รบนั้นมันคิดเยอะไปตื่นไม่ตื่นไม่สําคัญสําคัญว่าขณะนี้มีสติอยู่นะ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 แช่พุ้งสร้างทำความสงบเป็นช่วงๆไปค่ะเราไม่ทิ้งการทำความสงบถ้าทิ้งนานๆใจไม่มีแรงตอนตอนนี้อยู่อ่าจจะเหนื่อยมากกว่าค่ะเพราะคือเกิดแล้วก็ดับแล้วคิดไม่ทันแล้วก็จะคุ้งจะตื่นเต้นนั่นแหละเพราะมันเป็นอารมณ์มันเร็วมากนะะดูไม่ไหวแล้วเหนื่อยแล้วทำความสงบพุดโธพุทโธไปก็ยังดีส่วนมากจะเป็นอัตโนมัติตอนที่หลับมากกว่าค่ะเอ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 เห็นความสุขเกิดขึ้นรู้ทั น, น<ม>เห็นใจเฉยเฉยรู้ทั น, นเดินปัญญาในสมาธิก็ได้นะอีกวิธีหนึ่งถ้ามันไม่ยอมเดินปัญญาในสมาธิถ้าเดินในสมาธิแล้วฟุ้งสัน้นเราก็ไม่ต้องไปเดินไม่เดินปัญญาในสมาธิเดี๋ยวฟุง้งนะรอมันถอยออกจากสมาธิมาพอมันมามีร่างกายแล้วดูร่างกายเลยให้เห็นเล้ร่างกายกระจายมันคนละอันกันร่างกายไม่ใช่เราดูมไปเลยแต่ถ้ามันไม่ยอมดูก็ช่วยมันคิดนิดหน่อย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 เป็นเป็นท่อนๆ อ, อย่างเงี้ย <c oughs> ก็ตกใจ <c oughs> จิตก็ถอยออกมาพอ <c oughs> ถอยออกมาก็เลยถามใคร <c oughs> เขามีใครรู้เรื่อง <c oughs> เขาเลยตัดสินใจไปหาอาจารย์ท่านหนึ่ง <c oughs> เขาถามพระคุณแม่ท่านว่าเนี่ยลูกเป็นอย่างนี้ไม่ทราบคืออะไร <c oughs> ท่านบอกโอ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 ทำสมาธิไม่ได้เข้าวชานไม่เป็นก็ใช้ปัญญาสี่ก็เลยยมก็เลยมาใช้ปัญญาพิจารณาเห็นทุกโทษของราคะโทสะโมหะโลภะอืก็น้อมลงสู่ปัจจัยลักแล้วก็ทําซ้ําๆๆๆๆําเป็นเดือนๆปีๆในที่สุดมันก็มันก็ผุดออกมาจากกลางกลางอกว่าหลายๆครั้งหลายอย่างครานนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งเขาก็ผุดออกมาว่า มห้าผ่านแล้วนะอยู่โมหกเขาว่าอย่างนี้ก็เลยก็เลยตัดสินใจไปที่สถานที่เดิมอีกไปถามพระคุณแม่ท่านบอกว่าทำถูกแล้วนะลูกให้ทำต่อไปสู้ตายนะท่านก็ว่าอย่างนี้ก็เลยทำตามก็นี้พอเมื่อมาปีห้าห้าสี่สิงหาห้าห้าค่ะก็เลยไปสำนักสงฆ์ที่หนึ่งที่สุราษฎร์ธานีก็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 สัญญาก็ไม่มีมันมันลืมไปหมดเลยสติปัญญาก็ไม่เกิดไม่รู้หายไปไหนหมดเลยก็ เ, เลยบอกอา้าแล้วเราเป็นอะไรอ่าเนี้ยถามตัวเองว่ า, าแปลกจริงเลยพอมาปีห้หค่ะสติแตกกิเลสมาเต็มหมดทุกการทุกอย่างเลย <c oughs> โอยเอาไม่อยู่พรเอาไม่อยู่ก็ทํ <c oughs> าะทำไม่ได้ไม่รู้จะทํำยังไงดีก็อบอกพระพุทธองค์เจ้าขาลุขอร้องให้หนึ่งชั่วโมงเดีขอให้มัน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 โยมเนียจิตต้องถึงฐานจริงๆนะเวลาอย่างเวลาเราคิดเวลาอะไรเนี่ยสังเกตไหมจิตมันกระจายออกไปมันไปอยู่ในโลกของความคิดเลยนะเราพยายามรู้สึกตัวนะให้มันรู้สึกตัวให้จิตมันกลับบ้านงั้นจิตมันหนีไปนะจะยืนเดินนั่งนอนนะมีความรู้สึกตัวไปสบายโดยที่ไม่ได้บังคับไว้นะรู้สึกอย่างสบายนะทำมาดีแล้วนะแต่ว่าใจต้องถึงฐานจริง ๆ, ๆนะ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 ให้หนีได้แต่หนีแล้วรู้หนีแล้วรู้ฝึกตัวนี้ให้ได้น ะ, ะไม่งั้นมันจะไม่ขาดถามว่าขณะนี้จิตอยู่ตรงไหนคะขณะนี้จิตอยู่ตรงไหนคะจิตมันกระจายออกนอกมันโลง่งโล่งว่างๆไปน ะ, ะกลับมาที่กายกลับมาที่ใจเราบ่อยๆน ะ, ะแล้วก็ค่อยรู้เวลาจิตหนีไปคิดสวดมนต์ไปพุโทโธพุโทโธไปจิตหนีไปคิดแล้วรู้ทันพุโทโธพุโทโธจิตหนีแล้วรู้ทันคอยรู้ทันจิตที่หนีไปคิดบ่อยๆ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 จิตจะได้มีพลังจิตยังไม่มีพลังคนเราไม่ได้กลัวอะไรมากส่วนมากกลัวความมืดนะมันกลัวมืดเปิดไฟไว้ก่อนแต่ววันหลังก็เลยไปเน้นเดินจงกรมก็เลยไปเน้นเดินจงกรมแทนนะคะเพราะว่าไม่ต้องเดินจงกรมก็ต้องเดินรู้สึกตัวเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูเห็นใจมันไปคิดแล้วเราก็รู้ทันใจที่ไปคิดใจไหลแล้วรู้นะรู้กายรู้ใจไปเดินจงกรม มากราบคุณค่ะกรานบนวัต ก, การของพ่อเจ้าค่ะวันนี้รูปเอาการปฏิบัติมาส่งถวายพ<ป>่อเจ้าค่ะเด็กหนอเวลานอกโยมสุราชจิตไปอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยอย่างเนี้ยนะอย่างเนี้ยจิตหนีไปเรารู้อย่างนี้นะรู้บ่อยๆรู้เร็วๆจิตจะได้กลับเข้ามาเนะอริยมรรคจะเกิดไม่ได้เลยถ้าจิตไม่ถึงฐานนะโมทนานะเอาของมาถวายเอ้าว่าม า, ามชอบอมากค่ะ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 เราก็เลยก็เลยรู้ว่าวันนี้ควรจะต้องมาขอาดึงะนำนะดึงมาเนี่ยแน่นไหมนิดนึงเจ้าค่ะเกิดอัดนะถ้ายังมีน้ำหนักเกิดขึ้นนะแสดงว่าเราจงใจนะต่อไปเราไม่ดึงหรอกเราแค่รู้วเข้าไปพอรู้ว่าเข้าไปนะเขากลับมาเองนะจะไม่แน่นใจจะโล่งสบายะแต่เบื้องต้นมันก็อดดึงไม่ได้หรอกค่อยๆรู้ไปแล้วค่อยคลายออกในสุดไม่ได้ดึงนะกลับมาเอง กลัมารู้มาตื่นมาเบิกบานขึ้นมาถ้าดึงมามจะแน่นแน่นค่ะ ล, ลูกขอคําแนะนําที่ให้ลูกได้เจริญปฏิบัติได้เจริญยิ่งยิ่งยไปอาจารย์คะพอรู้สึกปฏิบัติมานานแล้วรู้สึกไม่ค่อ<ๆ>ไปไหนใจมันยังฟุ้งอยู่ต้องทำยังไงเจ้าคะใจมันฟุ้งเก่งนั้นทํากรรมาฐานนะแล้วก็รู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องเดินปัญญาเลยอย่าไปกังวลว่าทําไมช้านะถ้าจิตถูกเนี่ยบางคนนะแป๊บเดียวเองอะ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 ฝึกตัวนี้บ่อยๆฝึกให้ชํานาญเลยแล้วต่อไปตัวอื่นมันจะค่อยพัฒนาขึ้นมานะ <Okay. S 2> ปัญญาไม่ต้องกลัวหรอกปัญญาเยอะทําไปเรื่อยใช่มจ๊ะคะถ้าถ้าลูกทานอย่างนี้ไปเรื่อยการยกทาสักยกขันก็เป็นสิ่งที่ไม่ใา่คือสมาธิ <Okay. S 2> มีนะขันถึงจะแยกอ๋อถือหลวงพ่อถือต้องปรับจิตให้มีพลังสัก่อนคือฝึกสมาธิเพิ่มใช่ไหมจ๊ะคะฝึกสมาธิให้ถูกวิธีนะถูกชนิดไม่ได้ฝึกให้สงบนิ่ง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 อิชิตังปฏิตังทุมหังฉิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพภูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามนิโชติระโสยทาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินั ส, สตุมาเตภวัตวันตรยโยสุขีต่กายุโกภวะ อาภีวาธนาสีลิสนิจังุทธาปจายโนจตารโรธรรมาวทันตีอายุวันโนสุขังพระลังสามีสตินะมีสติเป็นพรปีใหม่ของเรา